ส่วนเรื่องที่เล่าในอัตถกถฐามีมากมายเช่นในอัตถกาธรรมบทเรื่องพระจุลบรรทกะเถระพระจุลบรรทกะบรรดาให้เห็นตัวท่านเป็นจำนวนพันองค์ให้วัดอัมพวันทั้งสิ้นเต็มไปด้วยภิกษุทั้งนี้การเนรมิตรนั้นท่านยังทำให้ภิกษุพันรูปนั้นไม่เหมือนกันด้วยภิกษุบางพวกเย็บจีวรบางพวกย้อมจีวรบางพวกทําการสาธยาย ในอัตถคถามหาโมคคัลลานเถรคถากล่าวถึงพระมหาโมคคัลลานะใช้ฤทธธรรมานันโทปนันทะนาคราชให้ละมิจฉาทิฐิและเลื่อมสายในพระรัตนตรยัยในอัตถคถาปุณโนวาตสูตรมัชจิมนิกายอุปริปัณธาพระปุณณะช่วยพ่อค้าชาวเรือจากการทำร้ายของอัศมนุษย์เพราะพวกพ่อค้าได้ไปตัดไม้จันทแดงที่เกาะแห่งหนึ่งพวกอัศมนุษย์ที่เกาะนั้นกโกรธ แต่อมนุ์เหล่านั้นไม่ต้องการให้ซากศพเกลืก่อนเกาะจึงรอทำร้ายที่กลางทะเลด้วยการทำให้เกิดพายุลมอย่างแรงแล้วพวกอัมนุ์เหล่านั้นเองก็พากันแสดงรูปที่น่ากลัวต่างๆนาน า, น, าน้องชายพระปุณณเถระอยู่ในเรือนั้นด้วยคิดว่าขอให้พระพี่ชายจงเป็นที่พึ่งด้วยเถิดแล้วก็ยืนระลึกถึงพระเถระอยู่พระปุณณเถระพิจารณาดูก็ได้ทราบว่า พวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายจึงห่อขึ้นสู่ฟ้ามายืนอยู่ตรงหน้าพวกอมนุษย์เห็นพระเถระก็พูดกันว่าพระคุณเจ้าปุณณเถระมาแล้วพากันหลีกไปพายุร้ายก็สงบทันทีและมีเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จสุนาาปรันต์ตะชนบทเป็นที่มาของพระพุทธบาทสองแห่งด้วยในอัตถคถาธรรมบทเรื่องสังกิจจะสามเณรสามเณรสังกิตจะ ช่วยภิกษุสาสิรูปโดยอาสาให้โจรจับตัวไปบูชายันแทนหัวหน้าโจรชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณรเพื่อจะฟันคอสามเณรก็นั่งเข้าฌานหัวหน้าโจรแกว่งดาบฟันลงที่คอสามเณรดาบก็งอหัวหน้าโจร น, นั้นสำคัญว่าเราประหารไม่ดีจึงดัดดาบนั้นให้ตรงและประหารอีกครั้งดาบก็เป็นดังใบตานที่ม้วนและร่นถึงโคนดาบ หัวหน้าโจรเห็นปาฏิหารินั้นก็เลื่อมใสาสามเณรและสามเณรก็กลับใจโจรได้ทั้งหมดในอัธกถาธรรมบทเรื่องสุโมนสามเณรสุโมนสามเณรได้เห็นว่าพระอนุรุทธเทระอาพาธเป็นลมเสียดท้องสามเณรถามพระเทระว่าเคยหายด้วยสิ่งใดพระอนุรุทธเทระตอบว่าเมื่อได้น้ําดื่มจากสานโนดาตก็จะหาย สามเณรอาสาเหาะไปนาน้านั้นมาแต่สรนั้นมีพญานาคห่วงอยู่พญานาค ก, กล่าวท้าทายกับสามเณรว่าเมื่อท่านสามารถก็จงนำไปเถิดสามเณรปราบพญานาคด้วยการเนรมิตอัตภาพเป็นพรมสูงใหญ่ประมาณ12โยธแล้วลงจากอากาศเหยียบที่พังผ่านของพญานาค ก, กดให้หน้าคว่าลงพอพรมเนรมิตได้เหยียพังผ่านของพญานาคเท่านั้น แผ่นพังพาที่ปิดสะโนดาดก็ได้หดเข้ามาเหลือประมาณเท่าทพัพผีแล้วสายน้ำประมาณเท่าลำตาลก็พุ่งขึ้นมาอย่างภาชนะใส่น้ำที่เตรียมไว้ให้เต็มณนบนอากาศนั่นเองในอัธกถาธรรมบทเรื่องพระสุนทรสมุทรมารดาของพระสุนทรสมุทรต้องการให้ท่านลาสิกขาบทหญิงนางโลมคนหนึ่งอาสาทางานนี้ได้ออกอุบายลวงท่านด้วยรถอาหาร แลพาขึ้นไปสู่ปราสาทเจ็ดชั้นหญิงนั้นแสดงอาการสี่สิบอย่างเพื่อเกี้ยวพระเทระความสังเวชใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่พระเทระมันลุพระอรหันต์ณที่นั้นแล้วเหาะหนีหญิงนางโรมนั้นไป